อ่าหน้าทำไม่ใช่น้อยเนี่ยนะไปไว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วก็บางแห่งเนี่ยควก็ไปไหว้ทั้งวันอย่างน้อยเขาก็ไปเอาไปอ่านไปสรนเสริญอรหะเพราะเป็นบทอิติปิโสเป็นต้นก็เลยบอกว่าถ้าทำนะอิติปิโสก็คือคํำรำวัดเช้าเย็นเนี่ยนะทั้งบาลีและภาษาไทยเช่นพวกรัตนสูตรเมตสูตรสูต ร, ต ร, ตรที่สําคัญสําคัญคําอุทิศส่วนกุศล ต, ตั้งความปรารถนาพระปริตอะไรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเราเทียบถึงว่า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 คนทุกข์ได้เาั้นทำยังไงที่จะให้ศรัท ธ, ธาอันนี้เป็นภาวนาภาวนาอย่าลืมนะไม่ใช่ตอกย้านะแต่เป็นการทําให้เติบโตภาวนาแปลว่าทําให้เติบโตวุทธิวุท ธ, ธาณนะวุทธาปจายโน you know. วุทิงวุทธิตัวนั่นแนหะแปลว่าทําให้เจริญขึ้นทํายังไงศรัท ธ, ธาเป็นต้นจะเจริญขึ้นศรัท ธ, ธานี้เป็นภาเวตาปรธรรมเพระนั้นตัวที่รับรองเราว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนะรกได้เพราะอะไรเพราะเรามีศรัท ธ, ธาใน พระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมและมีศรัทธาในพระสงฆ์ทีนี้ชนเราอื่นไม่มีศรัทธาแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาพันเวลาไม่สบายเนี่ยนะวันเมื่อวานก่อนก่อนนู้น่ะไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งที่ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอายุแปดสิบเศร็จละนะแต่ก็ไปเยี่ยนะเล้วสติสัมปชัญญะยังดีอยู่นะเข้าไปบอกว่านี่หมอดีใจได้เลยเขาเป็นเป็นนายแพทย์เป็นทันตแพทย์เนี่ยนะนะ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 ไม่ชอบบวกสามไม่ชอบบวกสี่ไม่ชอบบวกห้าทำอะไรก็ขัดตาไปหมดบวกสิบบวกยี่สิบบวกร้อยบวกพันในที่สุดนะได้ได้มิจฉาวาจาออกมาแน่ในที่สุดก็มิจฉากรรมมันตะมิจฉาอเยอะแ ย, ยะตามมาเลยนะอันนั้นแหละทุกครั้งที่เราไม่ชอบนั่นแหะคือการติดตั้งเรื่องนั้นไว้แล้วติดตั้งโทสะกับอารมณ์เหล่านั้นให้ตัวเองต่อต่อไปหั้นเราก็พยายามมาปลูกฝังว่าเรากําลังสร้างนิสัยอะไรให้กับตัวเองในอนาคต เราต้องการจริงหรือไม่เราปรารถนาจริงไหมเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์และความสุขจริงหรือเปล่ า, าที่กล่าวมาทั้งหมดในครั้งนี้เนี่ยนะก็มีความปรารถนาว่าทํำยังไงเราจะปลูกฝังเจริญให้เข้าใจกฎเกณฑ์รายละเอียดลหลายๆอย่างว่าทําอย่างไรตั้งอย่างไรศรัทธาของเราจึงจะมีในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะนะติดตั้งอย่างไรโพธิปัขญาธรรมจะได้เจริญบริบูรณ์เพราะใจของเราจะยอมรับในสิ่งที่เราอยากให้เข้ามีเท่านั้น ใจของเราจะตั้งใจให้เรายอมรับอ้าวบางทีเขาบอกว่าอ้าโลภะโทสะโมหะเขาไม่เคยตั้งให้มันเกิดเลยโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็ตั้งอันนั้นแหละชอบเมื่อไหร่ก็ตั้งไว้ตอนนั้นทุกครั้งที่เราชอบทุกครั้งที่เราอะไรนั่นนะคือการติดตั้งสิ่งเหล่านั้นโดยอัธยาศัยเรียบร้อยไปแล้วที น, นี้ถ้าเราเปลี่ยนจากอัธยาศัยที่ไม่ดีให้เป็นอัธยาศัยที่ดีก็พยายามตั้งไว้บ่อยๆตั้งไว้บ่อยๆปณิทิตัวนั้นเนี่ยนะถ้าปณิทิตัวนั้นตั้งเป็นชื่ออขงสมาธิ